ฟังร้องกันเนาะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติได้ยินได้ฟังเอาไปทำด้วยให้เป็นความแยกพลายในการกระทำโดยเฉพาะปฏิบัติธรรมเนี่ยอิปัจจสลาทุละ ลราให้ข้อมูลเยอะแยะเกิดขึ้นกับกายกับใจจะทำให้แยบคลายจะได้จับหลักได้ไแม่นางานโดยที่จะเริญนสติปัฐานธรรมพระพรุทธเจ้าทรงสองสอนดีวธรทมจะได้กระแสภายนิพานทันทีเห็ืนกระแสะไปเลยก้ะจะทำให้แยบคลาย อย่าทำแบบเล่นล่น ใ, ใจใจมีชิติายนกายอยู่เป็นปจำเหมืออยู่ป่อมป่ากานอะไรมาก็รู้ก็เห็นเพราะเรามีหลักมีฐานเปินที่ตั้งเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับวายกับใจไม่มีที่ลับที่ลี้ ไม่มีที่ติดบังกำแพงที่ว่าเปิดเผยให้เราได้ดูมีจิตเป็นดวงตาภายในเหน้าโลกบุมีติตเป็นหน้าโลกน้าทันไหนก็รู้ เ ม, เมื่อมันไปลู่อันหนึ่งที่จรมาก็ลู่ไปที่กายตั้งไว้อยู่แล้วเหมือ น, นอยู่ในป้องปราการจับอาวุธไว้พร้อมอะไรเกิดขึ้นมาก็ปราบได้ก็สิเกิดขึ้นมาก็ปราบได้ไม่มีอะไรที่ปราบไม่ได้เลยเพราะสติปัญฐานเป็นตัวเฉลืย เรื่องที่เกิดขึ้นกับกากับจายได้ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีเหลือหล่อย่าดโทษดน้ดนโทษดีนี่เรีว่าอยู่ใกล้ที่สุดแล้วอยู่ในมือเราเราจะใช่หรือไม่ใช่มาให้เราใช่เราไม่ใช่มันก็ฟรีไปเลย อะไรเกิดขึ้นฟ้ากับใจล้วจะได้ใช้มันเป็นบทเรียนประสบการณ์บทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นในกากับใจนี้ไม่ต้องถามใครตอบเราเองทุกชีวิตอะาจมีสติกู้เข็งเข้าเยื้อเขนดอกอยู่นี่ ตัวลูปเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่ตั้งเป็นประทานเรื่องนี้จีตปณิกายอย่าไปรูปคำจนเกินไปไว้ออกมาดูก่อนนั่นอย่าไปอยู่ให้ดู ก็ไปอยู่ก็ไม่เห็นอะไรนะไม่ถึงง่วงหาอนอนถ้าดูจะเห็นอะไรต่างๆมีสติดูกายขึ้นไหวเห็นกา ย, ยเป็นประจำมอะไรเกิดขึ้ น, น้าโดยพ่าความคิดเป็นต้นตอของสองขารลัหล่อย เกิอไรก็ได้เกิดจากความคิดนี่ยเราตั้งต้นจากความคิดไปไกลเป็นพบเป็นชาติไปหลายอย่างก็อย่าเผลอรตรงนี้แตอย่าไปมองจ่องตรงนี้อันอื่นนั้นมองอันเดินมีสติไปนในกาอยู่นู่นแต่ความคิดมันเกิดขึ้นมาเองให้เราได้ใช้ฟรีได้บทเรียนฟรีฟรบทเรียนจาก เกิดจากความคิดนี่ไม่ยอมถูกต้องท <c oughs> มไปทำมาเอาก็จะมาพุ่งอยู่ที่มีจิตเห็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจดัานแม้เวลาเราปฏิบัติก็ไม่ควรตั้งใจชิดจริงได้เ่อเราทำงาน างานทํางานจะพาให้สําเร็จเล่นรับจ้างทํางานขุดดินหลอหนึ่งหลนหนึ่งขให้แปดสิบบาทไม่ต้องคิดอยากได้เงินไม่ต้องเอกความเหน่อยความล่าความโลอนอ้างขุดปลายขุดปลายเงินไม่ได้ไม่ต้องคิดว่าจะทํามาให พูดในได้หลอหนึ่งหลุมหนึ่งก็ได้ได้เงินแล้วไม่ชิ้นเพืองพลังงานปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอย่าไปคิดจะทำได้หรือไม่ทำไม่ได้หรือไม่เอายากออาง่ายเอาผิดเอาถูกประผิดถูกก็ขวงหน้าง่ายยากก็ขวงหน้า อถูกความายากยากความง่ายโชว์ผิดถูกโชว์ชอบไม่ชอบกไปกันเองแหละจะมีจิตติทำกรรมมานที่ตั้งเองก็ทำให้กรรมมาลิขิตไปเองง่ายๆไอ้เฉีเพาะความคิดที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่มีอาวุธเหมือนกับยูงที่มากัดเรา อายุเมื่อกัดยังมีมือมีบ่าไปไล่ไปวิออกโดยความชิดนี้มีสติอยู่ดี่นี่ก็ออกไปได้ได้ประโยชน์จากความคิดเป็นควงลู้ยเยอะแยะได้บทเรียนจากความคิดเป็นควงลู้ยเยอะแยะถ้าไว้เอาบทเรียนตรงนี้ก็ได้บทหลงบทโกดบทรูทร้ปัญจเรตตุนหาไปโนด คิดกันมาพายเป็นจกเป็นทุกข์ไปโน่ น, นคิดกันมาพายพอใจไม่พอใจคิดกันมาหรายากง่ายคิดมาเราคิดถูกคิดบาอะไรต่างๆก็เลยเดินช้าต่ท่านนี้ไม่มีอะไรถ้าไมยรู้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเป็นตนไปทาได้ควูทำยากกวรทไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมมาล โทษความโน่นกรามนี้โทษบุญโทษบาปเ ไ, ไปนู่นไปนี่โทษลลายกรรมาฐานจักจิตอยู่แล้วว่าใจะอะไรเกิดขึ้นมาให้รู้สึกตัวนี่ถือว่าตัดเว้นตัดกรรมอยู่แล้วละความชั่วยอยู่แล้วทำความดีอยู่แล้วจิตจะวุ่นวิชุดอยู่แล้ว อะไรตก็มาก็รูจากตัวรู้จากตัวเนี่ยนั่งนิ่งๆาจะทำตัว ก, ก็ง่ายอาจจะยิ้มยิ้มยความยิ้มให้ตัวเองไใยิ้มให้ใครความยิ้มให้ตัวเองมันยิ่งใหญ่เข้มแข็งแข็งก็แข็ ง, ข ง, ข ง, ขงเหมือนเพชรอ่ อ, อนก็อ่อนเหมือนไม ความยืมให้ตัวเองเนี่ยผิดก็ยืมได้ถูกก็ยืมได้ทุกข์ก็ยิืมได้ยากก็ยืมได้สงบก็ยืมได้ฟุ้งซ่านก็ยืมได้ แ, แต่หัวเราตัวเองให้ความยืมให้ตัวเองน้อยๆมันไม่ปิดบังเสมอไปไม่เมื่อบอบเสมอไปถ้าความยากกับความยากก็บอดไปเลยคว <c oughs> มผิดเป็นความผิด เขบดไปเลยความผิดก็เห็นมันผิดมันจะเปิดออกถูกก็เห็นมันถูกจงบก็เห็นมันส ง, งบพุ้สร้างก็เห็นมันผู้สร้างแล้วก็ส ง, งบไปเองได้เห็นถ้าเป็นแล้วก็ไปไม่ได้หวงกันติดทางดูดีๆ เป็นก็เป็นพบเป็นชาติอัตตานุทิธิพบตรงนี้เกิดตรงนี้เป็นอนุสยัยส่วนควองโกรธของโลภของหลงนันมันไม่ยากอนุสัยเนี่ยมันยากกว่านั้นโกรธโลภหลงนเป็นกาบกล้วยกาบนอก ผู้ปฏิบัติทำพอได้กรเสียจะทำลายความโกรธความรู้หลงหลงเบาบางหรือจางคายหรือหมดไปได้ในเบื้องต้นแต่อันอื่นยังมีอยู่โกรธนี่มันหยาบโกรธจะไม่แสดงโอมขมตึงหนึ่งไว้ตึงเครียดไว้ยังไม่แสดงออก โกรธเลไม่ดูเลแต่โทรเสะดูเลยต่อไปอีกโกรธก็ ค, ควรขึงเครียดโทสะล่การแสดงออกไปทางคาพูดออกไปทางอาการากดต่างจับศตอาวุไปเลยถ้าโทรสะอันโกรธท่านี่ถึงเครียดไว้ก็คือหลงนี่แหละ ดูดีๆเดี๋ยวไดจบไปๆไถ้าเห็นเนี่ยเป็นกันบวชวิชาศึกษาแบบขวชวิชาทำให้สั้นเข้ามาถ้าผิดเป็นผิดอันนั้นมันยาวไปแล้วถูกเป็นถูกยาวไปเลยชอบมาชอบยาวไปเลยก็เห็นเนี่ยมันจะสั้นโดยการเรียนแบบขวชวิชา ศึกษาลับๆแม้ก็ เ, เรียนทุกวันนี้มอจะรอปรยิยัติสอนของคณะสงฆ์เรียนปริญาตรีและเป็นของคำว่าญาโยมม่มหาวิทยาลัยก็ซีพีและ ปฏิญาตสามัญของปายคว้าสงหนสองปีกวดวิชาสองปี จ, ปปปจบัิญาตีวิยาโทปีเดียวจบเนี่ยอันนี้กวดวิชาแบบแบบรวบรัดไม่ใช่กวดวิชาแบบนั้นกวดวิชาในชีวิตของเราให้มันจบช้าเนี่ยคือเห็นเนี่ยจบไว หลงก็รู้เนี่ยเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงทุก็เห็นทุกไม่เป็น้ทุกที่ว่าจะจบไวก็ ไ, วไม่จบไม่จบตรงนี้ไม่ผ่านตรงนี้จก็ย <c oughs> ังเป็นทุกข์อยู่่ว่าเรียนไม่จบทุก็ยังเป็นทุกเรียนไม่จบอ่านไม่ออกจนไม่ได้จะงู ไม่มีฉลาดไม่มีกุศลตอนท่เด็ตอนท่านเดมันไม่ยากกันนั่นเป็นในวันยากก็เห็นมันง่ายไอ้ี่เรียนแล้วดแลได้จะพิจารณาจะได้เปิดเรียนแล้วจะได้ขค้งมูลจะได้เกณฑ์ที่วัดในการชช้ชีวิเป็นเลย เราเห็นเหรอสะดวกเปลีนมิตภาพของชีวิตเป็นชีวิตมาสถานไปเลยไม่เมื่อยขึ้นได้เป็นละเมอขึ้นยิตถูกขะสุกก็เป็นขึ้นลุกก็เป็นขึ้นถูกขะพวกน้ํำก็จะไม่เลยไม่สะดวกกวง นั่นนะในขวงไหวในขวงไว้การบรรลุธรรมบรรลุตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าวัมเพยียรตังกิจคือทำอย่างนี้ไม่ใช่รูปร่างหน้าตาขาเขน่ารแป้งแตงตัวแล้วนั่นเป็ น, น, ปนพุทธเจ้าไม่ได้พุทธเจ้าคือเนี่ย พุทธคือภาวะที่รู้เนี่ยกลก็เป็นหน้เลยบ้าเป็นได้จิตที่ทำอย่างนี้มันก็มีมความชิดเนี่ยให้เราได้บมเพ็ได้สอนจิตจิตเมื่อถูกสอนวมบ่อบมันก็เป็นมันก็ไม่พยศ มันก็เชื่องเหมือนจับเหมือนอะไรหมูหมาก็ถูกเรียกถูกสองบ่อยมันก็ดูเรื่องเรื่องควายเป็นฝุงเรี่ยงวัวเป็นฝุงเวาเราจะต้นออกคกต้นเข้าค อ, อ, อกใหมันต้มกันมาก็ได้ไมันจะกระจุกระเจิเรียกมันน้ขนาบมันนาบมัน โาวนาบมันแล้าตัวใดมันเดินออกแถวนาบเรียกมันล่องใจมันตุกไม่เลียวขึ้นวั น, นีก็ลงไม่เลียวสองข้างไม่จะเข้าเอ็นทางเล็กๆแน่นอหัวเป็นร้อยๆตัวสองข้างทางกัน นาข้าวเขาก็ไม่ยังไม่ล่มวอตัวใดจะยื่นคอออกไปแยกก็ไปกินข้าวกับ น, นาบมันล้งใส่แล้วก็เหินไม่เดียวยาวขึ้นสูงๆแบงออกแล้วก็ลูแล้วตัวไหนดือ้อจะถือไปกินเอวกะีลงไปเคี้นลงไปไเอาเจ็บ มันจะเลือดละเอียดลบับต่อไปก็ไามา่ต้องบอกกันมันรู้เองใบของมันเองเบียด ก, กันก็ามาไม่กล้าออกไปข้างนอกเบียด ก, กันขนาดแล้วก็เบียด ก, กันแล้วก็ออกแถวจิตของคนเนี่ยถ้าถูกสอนมาก็เชื่องกว่านั่นอีกไม่ดื้อเหมือนหัวมืวางก่า อันนี้ไม่เคยสอนคิดตัวเองคิดอะไรก็ได้นั่งอยู่นี่คิดไปโน่นให้ความคิดป่านั่งให้ความคิดป่ารู้ให้ความคิดป่าเดินให้ความคิดปลาเป็นจุขให้ความคิดปลาเป็นทุกข์ให้ความคิดปล า, า, าเลกิด ย, ยิ่งเลิศตัณหาสารพัดอย่าง ทำจริงๆจะไมย่ยากไปสีห้าวันจับหลักได้ถูกถูกทดสอบเหมอคือความคิดาต่อไปต่อไปานหน้ามาถูกมันดูมันจะคิดเลยมีะติดูการเคลื่อนไหวคิดขึ้นมารูปร่ปั๊บไวๆมาไวๆ ยาชาตรงนี้ประวิชิตเกิดขึ้นมาจะรูปปั๊บรูปปั๊บกลับมาหากู้แงเข้าอย่าเฉนออกก็มันไม่ชิดก็มารูปอยู่เนี่ยทำที่กลับมามันก็ไปของมันเองถ้าหัดมานนะไม่ได้หัดไป็นุนนานเท่าไหร่เป็นไปเองหลงที่ใดก็ไม่ไม่หลงที่นั่นทันทีทุกที่ใดก็ไม่ไม่ทุกที่นั่นทันที มันต้องไปแจ้นันเป็นทำห้มันเป็นไม่ใช่มันจำมันรู้ร้านสอนจิตมันเป็นนี่สติไม่เป็นวัตถุจิต ก, ก็ไม่ใช่วัตถุสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุมันคือเห็นเห็นตอนในไม่เป็นไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าอาการของกายของจิต หลักก็คือเห็นทั้งหมดนี่วิชากรรมฐานมันวิชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือทุกอย่างเหนน็นเนี่ยมันเหนือทุกอย่างจุเห็นมันจุเนี่ยเหนือทุกอย่างเหนือรลกกว่าได้ทุกเห็นมันทุกพอลอยเกิดขึ้นเาก็เห็นเนี่ยมันเหนือทุกอย่างเอ้ไม่เป็น ไม่เป็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกยิ่งยิ่งใหญ่ยิง่ง อ, อำนาจเมื่อเห็นไม่เป็นกับมีความเป็นธรรมเมื่อมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นสภาพเชีนนี้ก็เหนือกาเกิดเจ็เจ็บตายไปนูน่นเรื่องเกิดเรื่งเจ็บเรื่งตายไมาใช่ตัวนี้อันหนึ่งอันห้า เห็นันเก็บไปอีกเห็นมันตายดวตายู้ตายไม่ได้เจ็บผู้คเก็บไม่มีอะไรทำอีกถ้าเห็นจะมีจริงจริงแล้วก็มีไม่มากกายกล้องสองจอาวาหนาคืบเนี่ยมีเปลือมิดตั้ไปตั้งกลงเนี่ยมังไปก็ออกเป็นกขึ้นเหมือนกับ ย่ากับคงว่าเสร็จแล้วก็แล้วไปเร็จแล้วพระเจ้าตรัสว่าชาติสิ้นแล้วผมวไม่จันยู่จบแล้วกิจอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วไม่มีอะไรทำอีกแล้วเนปาลคือตายก่อนตายอีกแล้วมันเป็นไปนแล้ว เออไม่มีอะไรต่อวิชากรรถามจิตวิชาเป็นวิชาที่ไม่มีคำถามไม่ได้คำตอบ ต, ต, ต, ต, ตัวเองต้องตอบเองแล้วก็มีโอกาสแล้วแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันแล้วก็เหมือนกันหมด ไม่ใช่ทำคนละอย่างในลักหลังกันจิที่เราจะกจาเท่าเทียมกันสามัลลักษณะรูปน้ำก็เป็นสามัลลักษณะอาการเก็บทิกับรูปผมน้ำกับปลากับใจก็เป็นสามัลลักษณะเรื่องความร่อนก็ร่อนเหมือนกันความเจ็บก็เจ็บเหมือนกันความ นุก่กหิวเหมือนกันหัวปวดกว็เมื่อยก็เมื่อยเหมือนกันปวดรูปหลงก็เหมือนกันเจตนาลาค้าก็เหมือนกันหมดจึงเป็นอันเดียวกันไม่ใช่ได้สติมาก็หลาอย่างอยากชนะั้นบรรณาทติมีกายได้ เสบายใจได้เลยไม่เหมือนกับเราทำบ้นอื่นงานนั้นอื่นงานกรรมฐ า, านเหมือนกันหมดมีจิติก็เหมือนกันเวลาเดียวกันหมดอะไรเกิดขึ้นก็มีจิติใช้นเดียวกันหมด เราใช้สติกลองพระใช้สติกล่อมโยมผู้หญิงแบบหนึ่งผู้ชายแบบหนึ่งเด็กแบบหนึ่งผู้ใหญ่แบบหนึ่งไม่ใช่เลยรู้จุกตัวรู้แขนเข้ารู้จุกตัวเหยื่อแขนอกรู้นนจุกตัวอันเดียวกันเป็นความผิ ด, <c oughs> ค, ผดความผิดความถูกความถุกความทุกข์เป็นสมบัติเป็นหยัแต่ละคน ถ้าสมมุติต่างกันถ้าปรมัดอันเดียวกันปรมัตดสัจจะอันเดียวกันสมมุติต่างกันความสุขของคนบางคนอาจเป็นความทุกข์ของคนอีกคนหนึ่งความทุกข์ของคนอีกคนหนึ่งอาจะเป็นความสุขของคนอีกคนหนึ่งถ้าเขาสมมติปัญญัติแต่ไม่เบียดเบียนกันได้เบียดเบียนตึงได้แย่งกันได้เป็นปัญหาได้ถ้าปรมัตดสัจจะ ไม่เป็นอย่างนั้นเดินความโกรธเป็นสมมุติปัญญัตความไม่โกรธเป็นปรมัติสัจจะความทุกข์เป็นสมมุติปัญญัตความสุขก็เป็นสมมุติปัญญัติเอามาใช่ปรมัตสัจจะอนุสุ ข, ขอนุทุกข์สมมุติขึ้นมาเองใช้เองแต่ไม่ที่ไหนเอามาอ้างดูดอยมาโชวให้ดูดอย เอามาให้ดูหน่อยเคไมีความสุขอะไรยุกเรื่องใดเอามาให้ดูหน่อยนั้นเป็นจรมาบางข้างบางข่าวเราก็ไม่รู้ยึดไว้ถือมันไว้แล้วว่าเราจะมันไม่มีมันชู่อผ้าคิดิ้วไว้ได้พ่าชิดิ้วหวังโบอนบันได ห, หน้าบันไดได้เหยียบได้เช็ดดู เกท่าเช็ดขาอยู่เดช่วยจะช่วยช่วยซ้ามไม่ได้ซ้าแต่ข้าวยังกินข้าวได้หลายวันหลายเดือนหลายปีแต่ความสุขควทุกข์มันมีที่ไหนทุกโลกทั้งนานเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์นี่จะได้ง่ายสหรเรื่องนี้จะไม่ได้แย่งกันจะไม่มีปัญหาเดียนหน้าจบแล้วเนี่ย จบจริงๆนเนี่ยต่อไม่จบก็ไม่จบจริงๆก็าไปอยู่นี่จริงๆจนตายไปโป๊ะในชาตินี้ชีวิตเราก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วเป็นสิงที่บอกอยแล้วเบื่อหน่ายควไม่เที่ยงเบื่อหน่ายเป็นทุกข์เบื่อหน่ายความไม่ใช่ตัวตนเคยหลอกมามากเคยลัก ลูกรักเมียเคยรักพ่อรักแม่ลูกเมียไปไหนตายไปแล้วก็ไม่หรือแยกกันไปก็มีหรือเป็นศัตรูกันก็มีสมกับวันหยัดเสียเวลาความรักความชังงามีธรรมะเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเป็นเดียวกัน เพิ่งกันได้ถ้าเห็นถ้ารู้อย่างนี้จะได้กระตือร้ น, นช่วยกันขนชงออกกันออกมาออกมาขนออกมาไม่เป็นอาการอย่าไปหลงงนันถ้าเราวาเป็นตัณฑ์จิตมีสติเห็นกิตอยู่เป็นประจำเลย มิสติเห็นกายไปไประจำมิสติเห็นทําอยู่ประปปจำมันจะไปไหนได้เนยก็มาถามมันรับดงเล็บให้เราได้ทำง่ายๆอยู่ในมือเราเราทำมาได้ก็เป็นการมานแล้วทำได้กระจบเลยผ่านไป เดียนไม่นานเดียงกรรมฐานเนี่ยจบไปจบไปไวเนี่ยอย่างพระเรยกบุคคลเบื้องต้นอุคติจันยุบุคคลสำปราบู่ไปเลยวิปปิจันยุบุคคลอันที่สอนยเยะบุคคลอันที่สามหลายวันหน่อยปททะป ร, ะประมต า, ายไปกป๊าไปลูเล ย, เลย่อย เรจะเป็นคนแบบไหนดื้อด้านดื้อในความหลงดอนในความหลงไม่อายคนไม่อายตัวเองถ้าเรามีสติเิ็กแต่บางิตก็อายแล้วเปนผู้วางง่ายแล้วว่านอนหลัง่ายแล้วแต่ <c oughs> าบางคนไม่อายความคิดตัวเองจนได้ ตัวังอกหน้าปูดนะาบึง่งก็ยังไม่อายอยู่รวมโกรธเป็นเรื่องหยาบคายพาจิตกระทู่ออกมาปีนี้ก็สอบนักธรรมตามสมัยทันปัจจุบันปัจจุบันนี้ขนโกรธ้ากทั้งบ้านทั้งเมืองแตกเล่าจัมวิมีกันกระทู่ออกมาเป็น ให้เราเรียแต่งเรื่องนี้ดูทีความโกรธมันหยาบคายเลี้ยวมยังไง mm. เห็นไหมอะไรเกิดขึ้นอธิบายไปทลายอะไรบ้างความโกรธทำไมถึงว่าหยาบคายผเจ้าว่าหยาบคายหยาบคายยังไบงบคนง่อยยิ่งพอใจในความโกรธ เรแม่ขี้โทษจริงๆนะมันไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นแต่ทู่ออกมาปีนี้ขี้โทษทังความโกรธหยาบคายอย่างไรบ้างโกรธที่ได้ไม่จดไปเพราตัวเองเล่าร้อนยินไม่ได้นนไหมหลุูกด่าเขตนข้าทำลายตัดติงเสงบือถ้าได้โกรธแล้วกางงานก็ทำไม่ได้รุ่มค้ั่งอยู่แล้ว ป้าจิตองมาที่จะเลยอมาแก้เรื่องนี้อายุกอะไรมา อ, อีกออโกโธขตวาสังเฉติ้าความโกจะได้อยู่เป็นจุกเน่โอท้ทำลายมันจะททำลายมันได้พระเจ้าว่าเนี่ยป้าฉิต ม, มานามในพุทธนิการธรรมประกถาอ้ากไว้ว่า โทโฮคัตวาสุขัขงเสติฆาความโกรจะได้อยู่เป็นสุขทุกทหนนาในความสุขสงวนเฉีเมตตากุดาวะเทนมันทำได้อยู่เนี่ยปฏิบัติได้อยู่เนี่ยให้ผลได้อยู่เนี่ยเวลาเราปฏิบัติตัวเนี่ยจะเด่นอนกก่านหมดเลยผลไม่ได้เด็ดขาด เด็ดขาดเลยทีเดียวทุกคนไม่ได้เด็ดขาดเลยหยัดงานวิทยุชุมชนคนตาบอดร้องเหงด่ิจิตตาตาเขาบอดเขาไม่เห็นทางเดาใจไม่บว่อร์ดวงตาเห็นทาง เวลาผมทุกข์ผมไม่ไม่ไปทางทุกข์ผมเลือกทางไม่ทุกข์ต่อใหม่ผมไม่บอดต่อเนื่อผมบอดผมไม่เห็นถนนทางใดไหนไม่บอดเวลาความทุกข์เกิดขึ้นผมไม่เอาความทุกข์ผมเลือกเดินทามไม่ทุกข์ต่อจิตใจของผมเดินทางไม่ทุกข์เวลาบรรกูดเรื่องในทางไม่กูดอะไรคนเราบอดเหได้ยินไหม ลองเรียน <laughs> หนสอฮะโอ้ <im itation> คนต่ดีต่อดีเฉยแต่ตาในบอดด่ากันได้เมียผัวก็ด่ากันได้ไม่เห็นคุณค่าเอ้ะมันก็ไม่มีเสียงอะไเนาะต้องฝืนะเจริเวลาเนาะ